ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนาชีวิตผมวสินินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังตอนนี้กำหลังพูดกับท่านผู้ฟังถึงเรื่องพระรตนตรัยและการถึงพระตนทรยัยเมื่อวานก็พูดมาถึงเรื่องพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นบุคคลเอกท่าสเสด็จผูบัติขึ้น เพื่อประโยชน์สุขแก่โลกแล้วก็มาจบปรงตอนที่ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงตื่นแล้วเบิกบานแล้วรู้แล้วทรงแสดงธรรมเพื่อเป็นเช่นนั้นทรงข้ามห่วงแห่งสังสารวัฏหรือห่วงทุกข์แล้วก็ทรงแสดงธรรมเพื่อกันข้ามทรงสงบแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบ ทรงฝึกพระองค์แล้วทรงแสดงธรรมเพื่อการฝึกทรงดับสนิทแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อการดับเพราะฉะนั้นพระตะถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลเอกเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกทีนี้ก็ในตอนที่สองทรงแสดงไว้ว่าการปรากฏขึ้นห่งบุคคลเอกหาได้ยากในโลก พอจะอธิบายได้ว่าบุคคลอย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้านี้นะครับ น, นันนานครั้งจึงจะอุบัติขึ้นในโลกเพราะเห็ุที่ว่าต้องสร้างสมพระบารมีนานเหลือเกินพระบารมีนั้นจึงจะเต็มเปี่ยมควรเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ยังมีกล่าวเอาไว้อีกว่าในโล ก, กทัศน์หนึ่ง ในโล ก, กาธาตุหนึ่งโล ก, กาธาตุนี้หมายถึงโลกหนึ่งเช่นโลกมนุษย์เรารถือว่าเป็นโล ก, กาธาตุหนึ่งนะครับในโล ก, กาธาตุหนึ่งจะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นคือว่าจะมีพร้อมกันสองพระองค์ไม่ได้ไม่เคยมีหลักฐานจากพระบาลีอังคุตานิกายเฮกานิบาศหน้าสามสิบหกว่า ติสูทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันจึงพอกล่าวได้ว่าหาได้ยากอย่างยิ่งทีเดียวนะครับในโลกธาต์หนึ่งมีเพียงพระองค์เดียวแมในโลกธาตุหนึ่งนี้ก็เป็นเวลานา น, านประมาณมิ้ได้กว่าพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้สักองค์หนึ่งช่วงว่างเร้หว่าง ศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งสิ้นไปแล้วก็พระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมาจัสรู่นเนี่ยท่านเรียกว่าพุทธันดรพุทธันดรก็พุทธะบวกอันตระอันตระแปลว่าช่องว่างหรือระหว่างพุทธะก็พระพุทธเจ้าแปลว่าช่องว่างระหว่างพระพุทธเจ้าสองพระองค์ะระหว่างพุทธันดอ น, นี้ก็โลก ตกอยู่ในความมืดแค่ น, นั้นมากนะครับพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าการปรากฏขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ให้เกิดแสงสว่างทางปัญญาอย่างใหญ่หลวงพระปฏิเเกพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในระหว่างพุทธันตอนเกิดช่วงว่างระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งกับพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่ง มีกล่าวไว้ในคำปีของเราว่าต่อไปภายหน้ า, เ, าเมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้เกือบจะหมดไปหรือจะหมดไปมนุษย์ก็จะจำพระพุทธภาษิตไม่ได้เลยแม้แต่บทเดียวพระราชา ธ, ธรรมมิกราชต้องการจะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าสักบทหนึ่งก็ให้ธรรมมะมหายาเอาทองเท่าลูกฝัก แขวนคอมาแขวนคอมาแล้วก็เที่ยวไปตามคามนิคมชนบทราชธานีประกาศว่าใครสามารถจะกล่าวธรรมของพระพุทธเจ้าได้เพียงบทเดียวหรือว่าพูดเป็นภาษาทางทางธรรมะท่านเรียก ว, ว่าคาถาหนึ่งคาถาหนึ่ง คาถานหนึ่งก็มีสี่บาทเวลานี้ก็ใช้เป็นสี่บรรทัดสองบรรทัดก็มีแล้วแต่ลักษณะของคาถาหรือฉันทะลักษ์คาถานั้นหมายถึงฉันทลักษณ์ฉันทะลักบางอย่างก็มีแค่สองบรรทัด ย, ยกตัวอย่างเช่นว่าในมงคลสูตรอาเสววนาจะปาลานังการไม่คบกลปานหนึ่งปันดิตานันจะเสววนาการครบปันดิตหนึ่ง บูชาจะ บ, บูชานิยานังการบูชาคนที่ควรบูชาหนึ่งเอตมังกลมุตตะมังนี่เป็นมงคลอันสูงสุดอันนี่เรียกว่าเป็นคาถานหนึ่งครับเป็นคาถานหนึ่งสองบรรทัดสี่บาทเมื่อธรรมะมหัมมัดนําทองเท่าลูกฟักออกประกาศว่าใครจําพระพุทธพจน์เพียงเท่านี้ได้จะมอบทองเท่าลูกฟักให้ ก็จะไม่มีใครจาได้เลยนั่นก็แสดงว่าพุทธศาสนาหมดแล้วหมดเกลี้ยงแล้วไม่มีเหลือแล้วเวลานี้พวกเราอย่างโชคดีนะครับยังมีคนจำพระพุทธพจน์ได้เยอะบางคนจำได้เป็นเล่มๆบางคนจำได้สองเล่มสามเล่มบางคนจำได้เยอะแยะไปหมดเลยเก็ยังดีธนาา ย, ยัยงโชคดียังไม่ถึงเวลานั้นยังไม่ได้ไปเกิดในเวลานั้น เรายังมีโอกาสได้ฟังธรรมได้ฟังพระพุทธภาสิตดีๆที่มาเป็นแสงสว่างทางชีวิตแล้วก็ก่อนที่ะจะสิ้นศาสนาของพระพุทธเจ้านี้นะครับก็ภิกษุสงฆ์ก็แย่เต็มทีท่านเรียกว่าโคตรตะปูสงโคตรตปูสงแปลว่าสงครึ่งพระครึ่งชาวบ้าน เป็นครึ่งพระครึ่งชาวบ้านเป็นพระก็ไม่ใช่เป็นชาวบ้านก็ไม hey, ่ใช่แต่ถ้าเป็นชาวบ้านครึ่งพระนี mission, this, ่ดีนะเป็นชาวบ้านครึ่งพระนี่ดีคือเป็นชาวบ้านตัวเป็นชาวบ้านใจเป็นพระอะไรอย่างนี้ก็ดีก็ดีแต่ว่าถ้าเพื่อเป็นพระแล้วก็เป็นชาวบ้านครึ่งเป็นพระครึ่งนี่ไม่ดีไม่ดีหมายความว่ามาตรฐานต่ำลงแล้วก็เวลานั้นมีเป็นโคตราภูสง์ ท่านใช้คำว่าทุศสีลาทุสีลป่าปัธรรมมามีป่าปัธรรมกาสาวกันธามีแต่ผ้ากาสาวพัดพันคอเป็นเป็นคนชั่วเป็นพระที่ไม่ดีสรกบแปลว่ามีเพศเป็นพระเป็นสมณะอย่างนั้นอันนี้ก็การปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลเอกหาได้ยากในโลกตามที่กล่าวมานี้นะครับ อันนี้อีกข้อหนึ่งที่ว่าทรงเป็นอัจริยมนุษย์ทรงเป็นอัจริยมนุษย์ทีนี้เรื่องนี้ถ้าเราจะพิจารณาถึงมนุษย์เท่าที่ประวัติศาสตร์ยอมรับว่าเคยเป็นมนุษย์มีตัวอยู่จริงและเคยตายไปตั้งแต่สมัยเริ่มประวัติศาสตร์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งก็กินเวลาประมาณเจ็ดพันปีเศษ รเราจะมองไม่เห็นกษัตริย์พระองค์ใดในโลกที่ยอมสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติอย่างเช่นพระพุทธเจ้าดันั้นหากมองให้สั้นเข้ามาอีกมองให้สั้นเข้ามาอีกนะครับคือว่าตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเป็นต้นมามาจนถึงบัดนี้ซึ่งกินเวลาประมาณสองพันหรอปีเศษนั้น ก็ยังไม่เคยมีกษัตริย์พระองค์ใดในโลกทรงกระทำได้อย่างพระพุทธเจ้าคือยอมสละความสุขแบบโลกโลกเพื่อทรงสแสวงหาธรรมแล้วก็นํามาเป็นประโยชน์แก่โลกนั่นเองไม่ว่าจะมองในด้านบริสุทธิ์ส่วนพระองค์หรือว่าในด้านการบําเพ็ญประโยชน์แก่มนุษยชาตินะครับหรือว่าในด้านสติปัญญาพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงเป็นอริยะ ในด้านนั้นๆทุกประการไม่มีใครเสมอเหมือนในด้านความบริสุทธิ์ส่วนพระองค์นะครับพระทรงมีอย่างมากเพราะว่าทรงปฏิเสจากกิเลสที่ทําให้เศร้าหมองทีนี้ส่วนอัจฉริยภาพในด้านการบําเพ็ญประโยชน์แก่มนุษยชาตินั้นเราก็จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อได้มาพิจารณาถึงผลงานของพระองค์ว่าผลงานของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลเพียงใด เป็นเวลาถึง 2,500 ปีเศษมาแล้วผลงานที่ยิ่งใหญ่ของใครก็ตามมาจากความคิดที่ยิ่งใหญ่มาจากจิตที่ยิ่งใหญ่คําสอนของพระองค์ได้เป็นประโยชน์แก่มว น, มนุษย์ทั่วโลกเป็นจํานวนเท่าใดต่อว่าหาประมาณมิได้นับตั้งแต่ 2,500 ปีเศษมาแล้วท่านลองนึกว่ามนุษย์ที่ได้รับคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็เว้นจากความชั่วหนีจากความชั่วขึ้นจากความชั่วทรงตนเอาไว้ไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วแล้วก้าวขึ้นสู่ทางที่ดีมีประมาณเท่าใดเรียกว่าอภิมัยาหาประมาณมิได้นับไม่ได้สังเขยะาคำนวณไม่ได้เวลาหกปีก่อนจะสรู้นั้นเป็นเวลาที่ทรงจักจาอย่างหนับ เพื่อพระโภธิญาณเพื่อความบริสุทธิ์ส่วนพระองค์แล้วก็เวลาอีก45ห้าปีหลังจากปรัสรูแล้วจนเสด็จดับคันทัปปริณิพานนั้นทรงอุทิศเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อมนุษยชาติเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้เดินถูกทางตามหนังสืออัตตกรถากกิภายรัตวาชสูตรในขุทธกนิกายนะครับได้พูดว่า ได้บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงบรรทมเพียงวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงเท่านั้นในคืนหนึ่งหงกลางวันนั้นก็อาจจะทรงบรรทมบางเป็นครั้างข่าวนิดหน่อยเพราะเพื่อพักผ่อนพระยุริยาณบดแต่กลางคืนนั้นทรงบรรทมเพียงหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเท่านั้นก็เพื่อมนุษยชาติทรงกระทำในฐานะเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ก็ทรงกระทำกิจของพระพุทธเจ้าอย่างสม่ําเสมอตลอดมาพระพุทธกิจห้าอย่างนั่นทรงกระทําสม่ําเสมอตลอดพระชนมายุตลอดพระชนมชีพตลอดเวลาที่เป็นพระพุทธเจ้าสี่สิบห้าปีไม่ได้วางเว้นเลยไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์เระทํางานไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดแล้วก็ เรียลแรงกําลังที่พระองค์ทรงอุทิศไปนั้นก็กลายมาเป็นประทีศแผงโลกมาเป็นความดีของโลก่ว่าพหุชนะอิตายพะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะ mm. เพื่อประโยชน์ mm. สุขแก่มหาชน mm. เพื่อความสุขแก่มหาชน mm. เพื่อการอนุเคราะห์โลก mm. ทีนส่วนอัจฉริยภาพทางด้านพัฒติปัญญานั้นสุขขมลุ่มลึก ยิ่งนักยากที่จะหยั่งได้จะสัพพัญญุตยานลึกซึ่งเหลือขณะนับทรงเป็นสัพพัญญูรู้ทุกอยาก่างแต่ไม่ได้ตรัสทุกอย่างที่ทรงรู้ตรัดเฉพาะที่จำเป็นแก่การปฏิบัติธรรมเพื่อการละของกิเลสหรือตรัดเฉพาะเรื่องทุกและความดับทุกหรือว่าเป็นไปเพื่อความดับทุก อย่างที่จัดเอาไว้ตอนหนึ่งว่าปุูเปจาหังทิคเวเอตราหีภิกษุทั้งหลายทั้งในการก่อนและปัจจุบัเราแตถาคดบัญญัติสอนแต่เรื่องทุกข์และความดับทุกเท่านั้นอันนี้ก็น่าสงสัยว่าสอนแต่เรื่องทุกข์กับความดับทุกเท่านั้นหรือเรื่องอื่นที่สอนเยอะแยะนั้นไม่เป็นคําสอนหรือคําตอบก็คือว่า คำสอนต่างๆแม้จะมีมากมายที่เรานับกันว่าพูดกันว่าแปดหมสี่พันพระธรรมกันก็เป็นไปเพื่อความให้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์แล้วก็เราจะดับทุกข์ได้อย่างไรเตรียบให้ดูใกล้ๆกันในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลมีหมอมากมายมีนางพยาบาลมากมายมีเครื่องมือแพทย์มากมายมีกิจกรรมมากมายที่ในโรงพยาบาล เพื่ออะไรก็เพื่อรักษาคนไข้ให้หายโรคเท่านั้นแหละเป้าหมายที่แท้ก็คือว่าทําอย่างไรโรคจะไม่เกิดขึ้นทําอย่างไรโรคที่เกิดขึ้นแล้วจะหายไปว่าเพื่อจะเรียนรู้โรคและเพื่อจะเรียนรู้การกําจัดโรคการกําจัดโรคเท่านั้นฉันใดก็ฉันนั้นทีนี้ก็ทรงรู้มากมายแต่ว่าไม่ได้จัดทุกอย่าง ก็จัดเท่าที่จำเป็นแก่ความทุกข์แก่ความดับทุกเท่านั้นเหมือนกัที่เคยจัดว่าความรู้ที่พระองค์รู้แล้วเหมือนกับใปไม้ในป่าหรือใบไม้ในต้นไม้บนต้นบนในป่าแต่ที่นำมาสอนนั่นเหมือนกับใปไม้ในกำ ม, มือเพราะว่าความจาเป็นที่จะต้องดับทุกมันมีเท่านั้นก็สอนเท่าที่จำเป็น แม่ปัญหาทางวิทยาศาสตร์กายภาพที่เป็นฟิสิกส์ขนา e หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตว่าดโดยสิ่งไม่มีชีวิตเช่นความร้อนแสงเสียงเป็นต้นทาง่ายชีวภาพที่เรียกว่าไบโอโลจ c a l ขนาดแล้ว่าเป็นว่าด้วยสิ่งที่มีชีวิตเช่นสัตว์และพืชส่งรู้รอบคอบและลึกซึ้ง ลองดูพระไตรปิฎกเล่มสิบห้าว่าด้วยกำเนิดของมนุษย์ว่าทีแรกเป็นเซนก่อนปัธมังกะระหลังโอติในระดันักวิทยาศาสตร์และแพทย์สมัยใหม่ก็งงว่าทรงรู้ได้อย่างไรทรงรู้รู้ด้วยอะไรแล้วก็จากได้ถูกหมดว่าในสัปดาห์ไหนเป็นอย่างไรก่อปฐมกำเนิดของมนุษย์มาในคันมานดาเป็นอย่างไรลองดูในทงนั้นยักษ์สังยุต มีผู้มาตามแล้วก็ตัดตอบทีนี้ก็เรื่องนี้ก็ก่อความพิษวงองเว้ยแก่นักวิทยาศาสตร์และนักปราชสมัยใหม่เป็นอันมากว่าพระองค์ทรงทราบได้อย่างไรทั้งๆที่ในสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เลยแม้แต่ชิ้นเดียวหลังจากได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างละเอียดละอ่อนแล้วนักปราชและนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายต่างก็ยอมรับในพระอริยภาพ ในส่วนสัพพัญญุเต ย, ยานของพระพุทธเจ้าโดยไม่มีข้อกังกายต่อไปนี่คือบุคคลเอกคือพระพุทธเจ้าในฐานะทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์กับในฐานะที่ทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์ท่านผู้ฟังที่คอยรับกับค่อยๆพูดค่อยๆไปได้พบกันทุกวันในเวลานี้นะครับโดยประมาณสําหรับวันนี้ก็ขอยุติดด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ขอความสุขสวัสดีความเจริญทั้งทางโลกและ ท, งทางธรรมพึงมีแด่ท่านผู้อุประมับรายการขอให้ท่านเหล่านั้นได้เจริญด้วยธรรมด้วยปุณณและก็ขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ